ใครจะแช่งใครจะแปลงใครจะยันก็ให้ชั่งหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียใครจะสีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเขาทำ ใครจะเมินใครจะมองได้จะต้องไว้วันใครจะใส่ร้ายกันยดยจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเรายัจะต้องทุกข์ใจใครจะล้อใครจะด่ายัจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบยัจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความยัจะต้องบุญจิตหากตัว ทำไมเกิดเป็นมนุษย์ ดีครับท่านผู้ฟังที่เปิ ด, เ ป, ดเปิดเครื่องรับฟังอยู่อยู่ทางบ้านนะครับนะเร า, าพูดเรามาคุยกันนะครับในช่วงของอสุดสัปดาห์นี้นะครับนะก็มีเรื่องราวที่ที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับนะซึ่งในช่วงนี้นี่นะครับมีข่าวสารที่น่าสนใจเมื่อวันที่ 25เมษายน ท, ที่ผ่านมาในที่โรงแรมมิลเลคเช่นแกลนคอนเวนชั่นนะครับในมีชัยฤชูพันธ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการล่างล้มนู น, นะครับแล้วก็กล่าวถึงการออกคำสั่งของของคสชที่7ทับสองพว่าด้วยการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรืกอกศธชว่าจริงๆแล้วก็มีการประชุมร่วมกันกับกสธชแล้วก็ระบุถึงปัญหาและประการเกี่ยวกับเรื่องกระ บ, บวนการสรรหานะครับแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขพรบที่เกี่ยวกับกศธชฉบับที่2ใน2ประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลย อาจจะไม่ทันการก็อาจจะเลยใช้คำสั่งมาตรา44ออกมาระงับไว้ก่อนนะครับคือกศทชอ น, นี่ก็เป็นกระบวนการที่เป็นองค์กรที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความถี่นะครับทั้งในส่วนของวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์นะครับต่างๆนี่แหละครับนะเพราะนั้นมีความสำคัญก็เลยจะต้องมีาการไตรตองให้ดี นัก็เป็นคำชีช้แจ ง, องของท่งนนายมีชัยหรือชูพันธ์นะครับส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกงตรีก็บอกว่าการใช้คำสั่ง44ระงับการสรรหากรรมการกสทชก็ตอนนี้ระงับไปก่อนนะครับเพื่อจะได้มาแก้ uh, กฎหมายบางบางส่วนให้เรียบร้อยแล้วค่อยดำเนินการต่อไปนะครับนะว่าจะดำเนินการกันต่อไปนะครับ ในวันเดียวกันนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ในปีกะตาปีโอละซึ่งเป็นเอกเอ ก, กราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหาภาพยุโรปประจำประเทศไทยก็เยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายงตรีนะครับนะซึ่งในโอกาสที่มารับหน้าที่ใหม่ซึ่งตรง น, นี้ในส่วนของนายงตรีก็ได้ให้ คำมั่นกับสาภาพยุโรปเพื่อให้บันให้ไว้วางใจว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าตามโรดแมพนะเป็นไปกรอบระยะเวลานะที่จะมีการเลือกตั้งในในช่วงของปีห้าเพื่อนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนซึ่งตรงนี้เอกก ร, ชราชทุษย์ภาพยุโรปประจำประเทศไทยก็ชื่นชมนายกฤษฎีที่แสดงเจตนารม์นะครับว่าจะนาประเทศสู่สูป่ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จะ มีการพิจารณาดำเนินการปลดล็อกไทยเกี่ยวกับเรื่องของการบอยคอร์ดเราเกี่ยวกับเรื่องการประมงนะครับนะการนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งยูอนี่ก็เป็นตลาดสินค้าอาหารทะเลตลาดใหญ่มากนะครับของของไทยเราส่งไปเป็นแสนล้านเลยทีเดียวถ้าเขาปลดล็อกได้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับนะเพราะว่าอาหารทะเล ข, ของของบ้านเรานี่ก็ ส่งไปขายทั้งที่สหรัฐอเมริกาบ้างที่สาภาพยุโรปนะเป็ น, เ ป, นเป็นหลักก็มีราคาค่อนข้างจะแพงก็จะเป็นผลดีกับเกษตรก ร, เ, ร, กรเพรา ะ, กระเกษตรกรบ้านเราก็จะได้ทําทการประมงนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีแรงงานจํานวนมากเลยที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงทั้งคนไทยบ้างทั้งพ ม, มา่านะฮะทั้งลาวทั้งกัมพูชาอยู่ใน อุตสาห ร, รมประมงกันกันมากก็คงจะต้องลุ้นรัฐบาลนะครับในการที่จะเจรจากับในส่วนของของของอีูนะครับนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของคอรมอรสัญจรเนี่ยมาในเดือนหน้านี่จะมาที่บุรีรัมสุรินทร์นะครับก็คงจะมีมติออกมาในการที่จะแก้ปัญหาในในระดับพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุรีรัมก็คงจะเป็นการ ในส่วนของนโยบายที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะครับเพราะว่านายจงตีจะมาชมสนามกีฬาช้างอารีน่านะครับสนามแข่งรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะมีมาตรการที่ลงมาดูแลพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแหละครับนะเพราะว่าบูรีลำนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเมืองรองที่กําลังมาแรงนะครับคนนิยมมาท่องเที่ยวกันเพราะฉะนั้นนี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมกีฬาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ กันมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็คงจะต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของมติของครมอนะครับที่ที่จะตามมาจะทําให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ดึงชุมชนเข้ามาร่วมนะในในเรื่องของการการท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะชุมชนก็จะมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งอาหารพื้นบ้านรวมทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์การทอผ้าอะไรต่างๆซึ่ง ซึ่งเป็นมิติอันดีนะครับที่จะส่งเสริมชุมชนนะครับนะให้ได้มาลัะฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ดเดินไตยอยู่บนต้นไม้กำลังมีใครในรังเอาไม้ไปแย่ให้ใครมันหล่นลงทางบางทีในรังอาจที่แม่เป๊ะ มดแดงมันกัดแล้วย่อใสเอามือปัดออกในซอกในผัวอยู่ไวไวตัวมันปล่อยไปแต่ไข่นั้นเอามากินสุดยอดอาอันนี้สารคือไข่มดแดงผุ่ยำทำแกงบกไบใบตองแต่พอดีพดตัวได้น้อยออกไครกลมๆมรีรีมันเป็นของดีมันแซบอี๋ รอค ต่อนะครับในใ น, ใ น, ใ, นในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับนะเป็นเป็นมาตรการที่ที่น่าสนใจนะครับนะโดยเฉพาะการที่จะให้ในส่วนของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้มามีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมการการท่องเที่ยวชุมชนนะครับนะซึ่งซึ่งในต่างประเทศนี่ก็ นะเขาพัฒนากันกันมานานแล้วนะครับนะที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอยู่โฮมสเตย์ในในในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตของของคนชนบทนะครับนะนักท่องเที่ยวถ้าเป็นชนชั้นกลางในในในเมืองหลวงนะครับในในเมืองใหญ่เนี่ยหรืออาจจะเป็นฝรั่งนะฮะเป็นต่างชาตินี่เขอาจจะยังไม่รู้วิถีไทยก็ จ, จะมาะทดลองทําอาหารไทยนะฮะในหมู่บ้านหรือว่า มาทำกา ร, กรเกษตรนะครับนะดูแปลงนาบ้างนะครับน ะ, ะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้านะท อ, อผ้าพื้นเมืองหรือว่าการทาบุญตักบาตรใช้วิถีเชิงพุทธนะครับนะก็ก็เป็นสเสน่ห์นึ่งถ้าถ้ามีการส่งเสริมกันอย่างแท้จริงนี่ก็จะสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยม า, ม า, ม, ามาในชุมชนนะครับนะมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงชุมชน ซึ่งเราจะเห็นว่ า, าในส่วนของนักท่องเที่ยวระดับบนนี่นะครับนนิยมไปอย่างที่ไปประเทศลาวนี่มักจะนิยมไปที่หลวงพระบางนะครับซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเพราะหลวงพระบางนี่ยังมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับนะในอดีตกันอยู่นะครับโดยเฉพาะการ ตลาดเช่านี่ก็ยังเป็นอาหารอะไรต่างๆพื้นเมืองรวมทั้งการทำบุญตักบาตรนะครับจะเป็นสเสน่ห์ของของหลวงพระบางนะ ค, คนที่ไปก็จะมีการต้องตักตักบาตรข้าวเหนียวบ้างนะครับนะมีพระมาเดินแล้วทำบุญตักบาตรแล้วก็ดูวิถีชีวิตของของชาวบ้านซึ่งก็เหมือนกับประเทศไทยเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดัง่ะครับของสอปปลาว ส่วนกัมพูชานี่ก็แหล่งแม่เหล็กเลยก็คงจะอยู่ที่เสียมเรียบที่นครวัดนคนรธมเป็นกลุ่มประสาทหินสมัยขอมขนาดใหญ่ลครับนะนะซึ่งมีอายุนับพันปีซึ่งก็เชื่อมโยงกับพนมลุงนะของของบุรีรัมพ์พนมลุงเมืองต่ำนะครับรวมทั้งพี่มายของโคราชเนี่ยนะ ก, ก็เชื่อมโยงกันนะครับนะเพราะว่าสมัยพระเจ้าชัยว ร, รมันที่สองเนี่ยครับซึ่ง ขยายอำนาจรวมทั้งใช้เวลาวันที่เจนะครับเพราะนั่นนี่ก็จริงจริงตรงนี้เนี่ยถ้ามีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะระหว่างแถวอีสาในใต้เนี่ยโยงกับในส่วนของกัมพูชาได้ก็จะเป็นจุดแข็งแล้วครับนะเพราะว่าในส่วนของกัมพูชานี่นักท่องเที่ยวจํานวนมหาศาลแล้วก็มาเที่ยวอยู่ที่เมืองเสียมเรียบมีสนามบินนานาชาติคือบินตรงมาเลยถ้ามีการเชื่อมโยงกับสนามบิน ของบุรีรัมย์ก็ดีนะครับนะของโคราชนคะรศรีมาหรือว่าในส่วนของอุบลก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะท่องเที่ยวมาลงกัมพูชาก็เข้ามาเที่ยวในไทยต่อหรือว่ามาเที่ยวที่ไทยแล้วก็ข้ามไปเที่ยวกัมพูชาถ้ามีการเปิดด่านถาวรมีการเชื่อมเส้นทางนะต่อไปก็คงจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนะซึ่งก็ควรจะส่งเสริมนะครับรวมทั้งผิดลิตภัณฑ์โอท็ top, นะสินค้าชุมชนซึ่งจะ ควบคู่กับการท่องเที่ยวกับพวกของฝากพวกอาหารพื้นเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีกันหลากหลายในแต่ละพื้นเมืองพื้นที่ผนะ้าทออะไรต่างๆนี่ถ้าเชื่อมโยงกันได้ก็จะเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในในส่วนนี้ เ, นเห็นบอกว่าในส่วนของอครอรมอสัญจรนะครับที่ที่จะมาบุรีรัมย์ในช่วงเดือนหน้านี้ก็จะมีการลงไปชมเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนอยู่แถวบุรีรัมย์หรือว่ากิจกรรม กลุ่มทอผ้าอยู่สุรินก็จะมีนะในส่วนของนายยงตรีและก็คณะนี่จะลงไปดูก็คงจะมีทิศทางในการที่จะส่งเสริมลงท่ามาเยี่ยมชมสนามกีฬาสนามแข่งรถ ข, ของบุรีรัมีก็จะคงมีนโยบายที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนทางด้านทางด้านกีฬานะครับนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่หลากหลายกันนะครับที่จะต้องที่จะต้องดูมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ยในส่วนของนายพรชัยธีระเวทซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการเงินของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับตัวเปิดเผยบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับนะบางส่วนนะ พ, พี่น้องคนจนเนี่ยมีบางส่วนที่จ ะ, อะขอไม่ลงทะเบียนนะรับสวัสดิการก็มีเหมือนกันนะครับก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับนะเพราะนี่ตรงนี้นี่ในส่วนของกระทรวงกันคังคงจะติดตามดูแลแะครับนะบางคนก็จะเข้าร่วมโครงการบางคนไม่ได้เข้าร่วมนะครับบางคนก็อ้างว่าแก่ชรานะครับนะมีอายุกเกิน6กินะครับนะก็เพราะฉะนั้นนี่ก็ มีทั้งคนที่มาลงทะเบียนนะร่วมบางคนก็ไม่ได้ร่วมเพราะฉะนั้นก็จงต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบางคนบอกว่ามีไรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทนะก็ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ300บาทต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็จะเป็นเป็นกลุ่มๆแหละครับบางคนก็ได้200นะครับนะ ก, ก็แล้วแต่สถานะของความยากความจนแต่ว่าที่มีข่าวว่าคนที่จบ ระดับพีเอเอ็ก็มาขอนี่ก็คงจะไม่มีครมีการตรวจสอบกันแล้วนะถ้าที่ดินมีจํานวนมากก็คงจะไม่ได้นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องคนยากคนจนในชนบทละครนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไปก็ไปแลกสินค้ากันในช่วงของปลายเดือนนี่จะเห็นมีชาวบ้านเนี่ยไปอยู่ตามร้านค้านะครับนะที่ที่มีให้บริการนะครับนะในการ ซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการนี่แหละครับแต่ว่าผลกระทบอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าร้านค้าในชุมชนที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ จ, จะมียอดจำหน่ายที่ที่ลดลงนะซึ่งตรงนี้รัฐก็คงจะต้องแก้ปัญหากันกันอีกช่วงหนึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้าถ้าจะใช้บัตรสวัสดิการต่อไปมีมีหลายคนก็เสนอบอกว่าก็จ่ายเป็นเป็นเงินสดให้ชาว บ, บ้านนี่ไปไปซื้อนะไปเลือกซื้อสินค้า ร้านค้าในชุมชนในหมู่บ้านก็จะสามารถที่จะขายสินค้าได้ด้วยนะครับนะก็จะทำให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านอย่า ง, างทั่วถึงนะครับนะแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่ากลัวชาวบ้านอาจจะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับนะก็าจ่ายเป็นกินสดก็คงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันนะครับว่าอะไรที่มันจะส่งผลดีนะครับ และในช่วงนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการพิจารณาที่จะยังชะลอเกี่ยวกับที่บริษัทเอกชนจะขอขึ้นราคาชุดนักเรียนในช่วงเปิดเทอมบอกว่าจะขอขึ้น 3... ถึง 5% เอ้างว่าต้นทุนสูงนะครับแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลก็ยังชะลออยู่นะครับโดยเฉพาะนายที่บดีกรมการค้าภายในในายบุ ญ, ญยริศเนี่ยบอกว่าเพราะว่าการขึ้น ราคาชุดนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนก็จะกระทบกับผู้ปกครองนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนถ้ามีการเปิดเทอมนี่ลงรับจำนำนี่จะแน่นนะฮะผู้ปกครองก็ต้องนาในส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับนะไปจำนองจำนำเครื่องไฟฟ้านะไปจำนองเพื่อเอาเงินมาหมุนก่อนนะเพื่อช่วยเหลือลูกหลานเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องยื้อกันไว้แหละครับนะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับนะกัน เราก็จะเห็นว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะตึงตัวันนี้ก็คงจะต้องใช้ชีวิตแบบแบบพ่อเพียงนะหลายคนนี่ทําเกษตรผสมผสานเกษตรพ่อเพียงนะครับนะปลูกผักทานเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีแหละครับนะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลทานันต้องขอลาท่านนไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ต้าวัน สบสิ่งหวังให้สมบงังใจห้ยคลายมองมนเ mm hmm. ข้าต่อไปตราชีวิตสุดดูดกระแส